6. ไปหีนสูตรว่าด้วยธรรมที่บุคคลละได้ 90. ภิกษุทั้งหลายทรม6ประการนี้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมได้ทิฏฐิละได้แล้วทรม6ประการอะไรบ้างคือ 1. สักยทิฏฐิ 2. วิจิกิจชา 3. สามศิลพตะปรามาส 4. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย ห้าโทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบายหกโมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายทำหกประการ น, นี้แลที่บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้ไปหีนสูตรที่หกจบ